เรื่องพระฉับ พ, พักคีจับแม่โค252ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองพัทยาตามพระอัทยาสายแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถินั้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีจับแม่โคที่กำลังข้าแม่น้ำอจิระวดีที่เขาบ้างจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างจับที่หางบ้างขึ้นขี่หลังบ้างมีความกำหนัดจับองค์กำเนิดบ้างกดลูกโค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 จับแม่โคที่กำลังข้าแม่น้ําอจิรวดีที่เขาบ้างจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างจับที่หางบ้างขึ้นขีหลังบ้างมีความกาหนัดจับองค์กําเนิดบ้างกดลูกโคจนจมน้ำตายบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าละครันทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงจับแม่โคทั้งหลายที่เขารูปใดจับต้องอาบัดทุกกดไม่พึงจับที่หูไม่พึงจับที่คอไม่พึงจับที่หาง ไม่พึงขึ้นขี่หลังรูปใดขึ้นขี่หลังต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจิตกำหนัดไม่พึงจับองค์กำเนิดรูปใดจับต้องอาบัตทุลใจภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโครูรปใดฆ่าพึงปรับอาบัตตามธรรม